แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะเพราะเป็นเพราะความที่ตนเองไม่ใช่เจ้าของเป็นต้นเนี่ยนะตนของตนก็ยังไม่มีเลยนะแล้วจะไปเอาอะไรไปเป็นของใครนั่นะแล้วก็อาทีนวะโตเนี่ยนะก็คือมีทุกข์เป็นเออเรียกว่ามีทุกข์เป็นไปและเพราะความเป็นโทษของทุกข์อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมคำว่าโทษทั้งมวลนะ่้มันลงที่ไหนเอา้าเห็นไหมการลงโทษเนี่ยลงที่ไหน ก็ก็ลงตามเนี่ยนะลงในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะลงถูกเรียกว่าถูกลงโทษเหมือนกันนะเป็นที่เป็นที่ลงโทษจริงๆเลยนะที่เคี่ยนที่ถูกเคี่ยนที่ถูกโบยที่สารพัดเนี่ยนะที่จะถูกลงโทษนี่นนะอันเขาลงโทษทั้งหลายแหละเนี่ยก็ลงโทษในในกายนี่แหละในตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้แหละโดยอาทีนบเพราะว่าคําว่าอาทีนบเนี่ยนะบางทีก็เป็นชื่อของคนกําพรา คนกาพร้านี่เรียกว่าโทษใช่ไหมแม้ขันทั้งหลายก็กําพร้าเหมือนกันโดยความเป็นโทษเพราะเช่นกับโทษ น, นะเหมือนกับความกําพร้าความเป็นอนาถาเนี่ยนะขันห้าเนี่ยโดยความเป็นของมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยนะแปรปลวนอ่ะนะก็คือเป็นไปกับความแก่และความตายปัจจัยสร้างขึ้นเรียกว่าชาติพอดำรงอยู่เรียกว่าชาราแต่ทำลายไปก็เรียกว่ามรณะ โดยความไม่มีแก่นสารเพราะทุพพลภาพเหมือนกับพรีเพราะว่าเป็นทลายความสุขนะนะีพระองค์อุปมาว่าไม้อ้อไม้อ้อเป็นไม้ไม่มีแก่นชั้นใดขันห้าก็ไม่มีแก่นชันนั้นะไม้ละห่งไม่มีแก่นชั้นใดขันห้าก็ไม่มีแก่นชันนั้นอันของเราเนี่ยกายเนี่ยจะเอามาทําแก่นตรงไหนบ้างนะเนี่ช้างมีอะไรเป็นแก่นของมันงาใช่ไหมวัวควายก็มีสเสนงสเสนงก็คือ เขาอ่าพวกสัตว์บางเอ่นก็มีหนังใช่ไหมเป็นแก่นแล้วมนุษย์อ่ะมีบุญบาปห้อมัน<ๆ>มนุษย์เนี่ยไม่มีแก่นสารอะไรรอกเลยนะจริงๆว่าทุกพทุกภูมิทุกสัตว์นั่นแหละมันไม่มีแก่นอย่างแท้จริงอ่ะเป็นเหมือนกระเพี้ยนนะทั้งนั้นแหละแล้วก็ทําลายความสุขแล้วก็เป็นมูลแห่งความลําบากเพราะเหตุเป็นเหตุแห่งความลําบากทุกชนิด นะตั้งแต่มีกายขึ้นมาเนี่ยนะลำบากตลอดเลยนะเดือดร้อนตลอดแล้วก็เป็นเหมือนเพชฌฆาตเพราะฆ่าความคุ้นเคยเป็นเหมือนกับศัตรูที่ทําต่ออ่ียำว่าทําลายความมิตรเนี่ยนะเป็นศัตรูจริงๆเลยขันห้าเนี่ยนะแล้วก็เป็นของที่ปราศจากความเจริญเพราะปราศจากความเจริญแปลว่าสิ่งไหนที่ไม่เจริญเรียกอะไรก็เสื่อมอะนะที่มันไม่เจริญก็เพราะมันของเสื่อมเป็นอ่ะนะ มันที่เรียกว่าเสื่อมเป็นนะมีในชาดกอยูเรื่องอ่าพระโพธิสัตว์เป็นเทวดานะอดีตชาติมารดาพระราหุลท่านก็เป็นกษัตริย์นะนะก็ปกครองแผ่นดินไปเทวดาก็มามาขอเอาเหรียญทองใส่ถาทองบอกว่ามาขอแต่งงานะนะก็เอาเรียกว่าเอาของกำนันมาให้ก็คือถาดทองใส่เหรียญทองมาอา่าไม่ยอมแต่งด้วยอา่าไม่แต่งไม่เป็นไรวันหลังมาใหม่เอาถาดเงินใส่เหรียญทองมา ลดค่าตัวลงนะเนีก็ไม่ยอมวันหลังอง ก, ก็เอาเอาถาดเงินเนี่ยใส่เหรียญเงินมาวันหลังก็เอาถาดทองแดงใส่เหรียญเงินวันหลังก็ถาดทองแดงใส่เหรียญทองแดงมาเรื่อยๆนะเขาก็บอกว่าอันนีน้ผู้หญิงก็ถามว่าเออเนี่ยเขามีแต่การราคาเนี่ยเขามีแต่ประเมินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นใช่ไหม นี้ทำไมมาลดลงลดลงครั้งแรกเอาเหรียญทองใส่ถาทองวันหลังก็ลดลดมาจนเนี้ยถึงทองแดงแล้วเนี่ยก็บอกกับเธอมันแก่ลงทุกวันทุกวันทุกวันจะไปให้เอาของดีมาบำรุงนันเพิ่มขึ้นทําอะไรใช่ไหมเมื่อก่อนทนออํานนทไมเป็นอย่างอย่าหนึ่งแล้วตอนนี้ทําไมเป็นอย่างแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะเนี่ยนะเป็นเนี้ยเป็นของที่มันปราศจากความเจริญไปเรื่อยเรื่อยเรืยรืยหมือนกับสร้างบ้านอะ่ะบ้านสร้างทีแรกก็งามนะหลังจากนั้นเนี่ยเสริมไปเรื่อยแล่ะเชื่อไหม เหมือนซื้อรถเนี่ยมันใหม่แต่ตอนซื้อนั่นแหละหลังจากนั้นก็เสื่อมไปตลอดขันห้าก็เหมือนกันมันก็เก่าไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันไม่ได้มีดีขึ้นหรอกมันมีแต่เสื่อมมาลงทุกวันทุกวันทุกวันนั่นนะเสื่อมเท่านั้นน่ะเสื้อผ้ามันใหม่แต่ตอนซื้อนั่นแหละหลังจากนั้นมันก็เสื่อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ยรียก่ามันปราศจากความเจริญแล้วก็เป็นของมีอาสวะนี่ยนะเพราะเป็นเหตุใกล้แห่งอาสวะ เอาถามว่าอะไรบัางไม่เป็นเหตุใกล้ของกามาสวัติฐาสวัพวาสวัวิชาสวะบ้างเนาะทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเป็นที่ตั้งแหง่งอวิชชาเป็นที่ตั้งแหง่ ง, หงความลุ่มหลงหมดเลยอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเหตุอาสวะโตเนี่ยนะสาสวะโตก็คือเป็นเหตุใกล้ของอาสวะอะเป็นที่เกิดแห่งอาสวะแล้วก็อันปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะสังคตะถูกเหตุถูกปัจจัยเนี่ยปรุงแต่งสร้างขึ้นเนี่ยนะ สัมนวนว่าถูกหลอมขึ้นน่ะอย่างขันห้าเนี่ยถูกหลอมขึ้นมาใช่ไหมร่างกายเนี่ยถูกอาหารเนี่ยหล่อหลอมขึ้นมาถูกสารพัดนะนะที่จะหล่อหลอมขึ้นมานะสมมติถ้าเราเอามาเรื่อนะเรื่อหรือเอาต้นเหตุอ่ะนะถ้าเป็นพวกรถพวกเรือก็ถอนอะไหล่ออกมาได้ใช่ไหมของเราเนี่ยถ้ารื้อออกมาทีละอันทีละอันทีละอันเนี่ยนะอันนี้มาจากข้าวนะนี่มาจากน้ํานะนี่มาจากอาหารนะนี่มาจากแยกวิตามินโปรตีนอะไรแยกออกให้หมดเลยนะโห แล้วถามเอาต้นเหตุด้วยแต่และอย่างเนี่ยมาจากไหนอย่างไหนเนี่ยนะโอมัจะมากมายขนาดไหนนะแปลว่ามันถูกปรุงแต่งจริงๆแล้วภาษาเวทนาละ่ะแล้วความคิดนะ่ะที่เรามาคิดเนี่ยก็ถูกปัจจัยสร้างปรุงแต่งมากว่าจะมาคิดแบบนี้เนะํานวนว่าถ้าแบบชาวโลกบอกโอ้โหกว่าจะมีการศึกษามาได้ขนาดนี้กว่าจะมาคิดอย่างนี้เป็นเนี่ยนะมันต้องเรียนขนาดไหนมันต้องอะไรขนาดไหนเนี่ยนะ เช่นปัญญาเนี่ยโหยิ a a like um so MM ่งถูกปรุงแต่งมากนะความรู้เนี่ยนะถูกปรุงแต่งเป็นอย่างมากเลยนั้นเรียกว่าเป็นสังคตะโตเนี่ยนะถูกปรุงต่อไปก็บอกว่าเป็นเหยื่อของมานเหยื่อของมานก็เป็นอะไรเป็นเหยื่อของความตายกับเป็นเหยื่อของกิเลสมารเป็นเหยื่อของมัจจุมานกับกิเลสมารเพราะตัวมันเองมันเป็นขันธมานอยู่แล้วนั้นเลยเป็นเหยื่อของมัจจุมานกับ กิเลสมารเนี่ยนะกิเลสมันก็เกิดตามสิ่งเหล่านี้แหละอ่ะสิ่งเหล่านี้แหละที่มันตายอะ่ะไม่ใช่ที่อื่นหรอกแล้วก็เป็นของที่มีชาติชาราพยาธิมรณะเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ปกติมันก็เป็นของเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะเรียกว่าธรรมดาก็คือปกติธรรมดานะเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีหรอกเกิดมาแล้วไม่ป่วยไม่มีหรอกเนี่ยนะเพราะขันห้า น, นั่นแหละเป็นชื่อของโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ เป็นของเศร้าหมองเป็นธรรมดาเนี่ยนะสังกิเลสิกะธรรมโตเนี่ยนะเศร้าหมองมันเศร้าหมองเพราะมันเป็นอารมณ์ของตันหาสิ่งใดที่เป็นอารมณ์ของตันหาสิ่งนั้นเป็นของเศร้าหมองเป็นอารมณ์ของทิฏฐิเป็นอารมณ์ของทุจริตไปเถอะไปถามดูเถอะที่ไหนมั่งที่ไม่ทําทุจริตสานวนว่าสังคมในโลกเนี่ยนะเวนสังคมพระอริยะเสียเว้นสมาคมของพระอริยะเสียที่เหลือเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตหมด อย่านีไม่มีที่ไหนที่ไม่เข้าไปทําทุจริญนะหนี้มาอยู่ในป่าคนในป่าก็ยังทําทุดเจริตกันเข้าไปในเมืองคนในเมืองก็ทําทุจริตกันเนี่้นะก็โดยที่สุดนั่งคนเดียวทุดจริญก็ยังทําเลยอย่างนี้นเอามโนโทุจริญใช่ไหมเอ <laughs> อยอะๆก็นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนะไม่พูดกับใครยังนั่งทุดจริญอยู่นะพูดก็พูดเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุดจริตสารพัดเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเศร้ามอง นะสังกิเลสิกะธรรมโตเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะทิฏฐิเป็นที่ตั้งแห่งตันหาทิฏฐิทุกจริตทุกชนิดแล้วก็เป็นของที่เป็นปัจจัยเก่กิเลสเป็นอารมณ์ของกิเลสต่อไปก็เป็นเหตุเกิดแห่งทุกเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นเหตุเกิดเนี่ยอ่าเรียกว่าสมุทยังคะเพราะอาวิชชาตันหากรรมอายตนะนี่สร้างขึ้นอย่างเช่นสลายยตนะเออขอไปภาษาเนะนี่ยอะไรสร้าง ภาษาเก er <function S 1> ิดเพราะวิชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดและเพราะอายตนะเกิดภาษาจึงเกิดแล้วถ้าภาษาดับล่ะก็เพราะวิชาดับนั่นแหละภาษาจึงดับตัณหาดับภาษาจึงดับกรรมดับภาษาจึงดับถ้าไม่มีตาจะมีการภาษาไหมถ้าไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะมีภาษาไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าอวิชาตัณหากรรมดับภาษาก็ดับเนะถ้าอายตนะดับภาษาทั้งหลายก็ก็ดับนี่ยนะ แล้วก็เป็นของถามว่ามีอัศสสธาไม่ในภาษาทั้งหลายนะทวารหกเหล่านี้นี่มีอัศสสธาไหมโอ้ถ้าไม่มีอัสสาธาไม่อยากไปดูไม่อยากไปได้ยินไม่อยากไปรู้กลิ่นไม่อยากไปกินหรอกเนี่ยนะท่นก็เลยเรียกว่าอัสสาธะเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอั ส, สาธะเพราะอะไรเพราะว่าความเช่มชื่นที่มีความหวานด้วยสามารถแห่งฉันนราคะในภาษานะเพราะภาษะบางอย่างเนี่ยแหมดึงแทบไม่ออกเลยนะ เช auto, ่นแมลงที่มันมากัดใช่ไหมมันได้ผัสสะกับเลือดเนี่ยด like ึงมันอยากจะออกเลยนะมันปักอยู่นั่นแหละอาหารอร่อยบางอย่างนี่ดึงไม่ออกเลยนะกินอยู่นั่นแหละนะผัสสะบางอย่างนี่ไม่ยอมออกเช่นหน้าหนาวเนี่ยนะอยู่ในที่อุ่นๆเนี่ยอยากจะออกไหมไม่อยากออกร้อนๆเนี่ยสมมติว่าเมษายนยังี้นะอยู่ในที่เย็นๆเนี่ยถามว่าเราอยากจะออกบ้านไหมไม่อยากไปไหนนะก็อยากอยู่ที่เย็นๆเนี่ยนั่นแหละนั่นเอง มันมันมีอาสาธะอยู่ณที่นั้นนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเป็นอาทีนวะด้วยเพราะเป็นของแปรปรวนเนี่ยอารทีนวะเพราะแปรปรวนต่อไปก็บอกว่าโดยเป็นนิสสระเนี่ยนะก็โดยการออกไปแห่งความเชื่อมชื่นและอาทีนวะเนี่ยนะนนก็ผู้ที่พิจารณาอย่างนี้นะจุดหมายปลายทางหรือจุดประสงค์ที่สูงสุดก็คือ ต้องการที่จะตัดฉันธราคะตัดเยื่อใยเนี่ยนะเรียกว่านิสรณะจากภาษะทั้งหลายนี่ส่วนปหาณะปริญญาก็คือทีระชนย่อมพิจารณาอย่างนี้แล้วย่อมละบัรเทาทําให้สิน้นให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งฉันธราคะในภาษะที่บอกว่า ฉันทราคาในภาษาใดเธอทั้งหลายจงละฉันทราคานั้นภาษานั้นจักเป็นของอันเธอทั้งหลายละแล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดุจตานยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นธรรมดาโดยประการอย่างนี้นนก็ตัดฉันทราคาในภาษาเซเธอร์เนี่ยนะที น, นี้ถ้าผู้ที่จะตัดฉันทราคะตัดเยื่อใยในภาษะได้เนี่ยนะ คือคนที่รู้พิษภัยของพรรษะเป็นอย่างดีเ <plains> นี่ยนะรู้พิษภัยทุกโทษของพรรษาเป็นอย่างดีทีนี้คนที่จะรู้จักพิษภัยทุกโทษของพรรษะก็แสดงว่าตามเห็นโทษเป็นอย่างดีที่ตามเห็นโทษเนี่ยก็เพราะรู้จักพรรษาเป็นอย่างดีเนี่ยก็คือคนที่รู้จักพรรษานั่นแหละจึงตามเห็นโทษของพรรษะเมื่อตามเห็นโทษของพรรษาจึงเบื่อหน่ายในพรรษะเหมืนผู้ที่เบื่อหน่ายในพรรษาจึงออกจากพรรษาได้เนี่ยนะมันก็ โอเนี่ยเสียใจที่จะต้องเห็นเนี่ยนะเห็นโทษที่จะต้องเห็นจะต้องได้ยินเน่ยนะแต่ถ้าแบบหยาบหยานี้พอมองเห็นใช่ไหมโอ้เนี่ยถ้าจะเกิดยุคหน้าจะยังไงเนี่ยนะอันนี้พอมองเห็นใช่แต่ที่เห็นกระชันเข้ามาเอ้เนี่ยต้องเห็นเนี่ยนี่เห็นเนี่ยครั้งเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนะที่ได้ยินขนาดนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสต่อไปนะไอ้ที่จะเห็นโทษขนาดนี้ยังอนะแสดงว่าอินทรีย์ไม่ค่อยแข็งนะปัญญายินทรียังอ่อนอยู่วงั้น ไม่แข็งพอที่จะเห็นโทษเนี่ยแม้แต่ความคิดอันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งอแห่งเนี่ยสี่สิบสองเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกเห็นโทษเป็นบางเรื่องใช่เห็นโทษเป็นบางอย่างแต่ไม่เห็นโทษว่าโอ้เนี่ยนะเขาเขามีขันท่านะ เขาจึงทํำอกุศลทั้งหลายอกุศลทั้งหลายที่ทําก็เพราะขันห่านะอกุศลที่ทำเนี่ยเพราะเกิดนะถ้าไม่เกิดก็ไม่ทําบาปทําอกุศลอย่างนี้หรอกเนี่ยนะเนี่ยเพราะการเกิดเนี่ยนะบาปประกรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกก็เพราะเกิดเนี่ยเพราะเลี้ยงขันห่าเพราะบําเรอขันห่านี่แหละเพราะตันหามันเสี้ยมสอนนั่นแหละเขาจึงทําชั่วทั้งหลายเพราะราคะมันเสี้ยมสอนเพราะโทสะมันเสี้ยมสอนเพราะเขาไม่รู้เนี่ยนะเพราะเขาไม่ได้ เห็นพระอริยะเพราะเขาไม่ได้ฟังธรรมะของพระอริยะเพราะเขาไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะเขาไม่มีสังวรวินัยไม่มีปะหานวินัยของพระอริยะเขาไม่มีศีลสังวรสติสังวรญาณะสังวรขันติวิริยะสังวรเขาไม่มีตทางข้าปะหานวิคัมปะนปะหานสมุทเฉทะปะหานเนี่ยเขาจึงทําบาปกรรมเหล่านี้ของเรานะถ้าไม่เห็นพระอริยะไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยะเป็นต้นเราจะต่างจากเขาตรงไหนเนี่ยนะ ก็เห็นเพชไทยโอ้เนี่ยนะว่าวัตตะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยดีแล้วเนาะที่เราได้ศึกษาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาประพฤติปฏิบัติเราก็จะพ้นจากสภาพเหล่านี้ได้เนี่ยนะจงยินดีในการบําเพ็ญศึกษาของพระพุทธเจ้าเถิดอันการบําเพ็ญไตรศึกษาของพระพุทธเจ้านี่แหละจะนําให้ออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันผู้ที่กําหนดรู้ภาษะด้วยปริญญาสามเนี่ยนะก็เป็นผู้ไม่ติดใจ ไม่ติดใจด้วยอำนาจตันหาในภาษาเราเนี่ย